ช้าๆอย่างนี้ปล่อยนักปฏิบัติทั้งหลายตรงเข้าถึงแล้วก็เข้าใจคำว่าเข้าถึงก็หมายถึงว่าเข้าถึงสติสติก็คือความรู้ตัวในขณะนี้ว่าเราอยู่ในการภาวนา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 เพื่อเราจะได้บำเพ็ญเพียรติตที่ละเอียดที่ยิ่งขึ้นขึ้นไปถ้าเรานั้นยังมีอารมณ์หยาบอยู่ในท้องของเรานั้นในขณะที่จิตละเอียดกายวิญญาณและจิตวิญญาณนั้นจะไม่สัมผัสกันมาจาก จะคุณเครื่องหมองใจก็คือคืออึดอัดใจในการหายใจเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเมื่เราหายใจแล้วเหนื่อยเมื่เราหายใจแล้วมันไม่ลึกมันไม่โปร่งโล่งใจในการบำเพ็ญเปลี่ยนเพราะว่าจิตของเรานั้นเพิ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้นการที่เรานั้น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 เหมือนเมื่อวานนั้นเราก็ปวดเมื่อยอ่อนร้าไปตามร่างกายในขณะที่นั่งเรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเมื่อยไวเลิเกินนั่งแล้วเราก็ง่วงไวเลิเกินรู้สึกว่ามันง่วงมันเพียมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเบื่อมันหน่ายไปหมดทุกสิ่งทุกอยาก่างอีอันนี่เป็นอาการของ สภาพของกายวิญญาณแล้วก็จิตวิญญาณเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่แล้วว่าร่างกายของเรานั้นตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะความคิดเรียกว่ากายวิญญาณกับจิตวิญญาณมันของคู่กันเราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยหาเหตุหาผลให้กับตัวตนของเราอย่างแท้จริง พอเรามาพิจารณาดูเหตุว่าโอ้เนอการคิดการปรุงแต่งของเรานั้นมันทำให้ร่างกายของเรานั้นหลังสารที่ไม่ดีออกมากล้ามเนื้อทุกชิ้นในร่างกายของเรานั้นผูกบีบคั้นรัดตึงตึงแน่นเหมือนคนที่ตึงแข้งตึงขาปวดเมื่อยแกนขาอยู่ตลอดเวลา บางคนนิ้วล็อกยังไม่รู้ตัวอีกว่าอะไรมันเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมที่เราได้ตะเกียกตะกายหากินอยู่ทุกวีทุกวันเหมือนเป็ดไก่กอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอกรรมกรรมก็เป็นต้นเหตุที่มันเกิดเรียกว่าอุบัติเหตุของชีวิต ก็คือความโลภความโกรธความหลง ก, งก็คือกิเลสทำให้จิตใจของเรานั่นมัวหมองพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าเอตที่มันอุบัติขึ้นแล้วยอมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นนั้นก็คือการจุติก็คือการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นเรื่องของสัตว์โลก ที่อยู่ในสภาวะที่จะต้องเกิดมาที่จะพบกับชะตากรรมของกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคมันก็พัฒนาโรคแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์มแมลงก็มีการพัฒนาเพื่อจะดำรงเผ่าพันธ์ดำรงชีพของตัวเองนั้นให้อยู่ได้ เราก็เช่นเดียวกันเราก็ดำลงชีวิตของเหล่านั้นตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นตระกูลที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็ต้องมีการพัฒนาทั้งอาหารทั้งที่อยู่อาศัยรวมทั้งยารักษาโรค อังเสื้อผ้าเราก็ถูกพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นแต่เรานั้นไม่เคยพัฒนาในสิ่งที่เราอยู่ในตัวตนของเราก็คือจิตเราได้พัฒนาทับภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะหยิบยกหรือเอาติดตัวไปได้ในขณะที่เราตายแล้ว าเช่นแก้วแหวนเงินทองบ้านช่องรถราที่ดินเพื่อผ้าอภรรแล้วก็ร่างกายของเราเราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ล้วนแต่เป็นของแผ่นดินล้วนแต่เป็นของอันิจัง้าเราจะเปรียบก็เหมือนกับตากพืชซากสัตว์ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพียงแต่เราก็อุปมาอุปไมย เราเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์อื่นๆอุปมาณอุปไมายว่าเรานั้นเกิดแล้วเป็นตระกูลคนนั้นเหล่าคนนี้ปรบแล้วเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายรองเข้าไปใน ใ, นใจแล้วก็คิดถึงตามหลวงพ่อว่าโอ้เนโอะมนุษย์อยู่ได้ความสมมุติ สมมุติว่าชื่อนามสกุลสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายสมมุติว่าตัวเรานั้นเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นข้าราชการซีนั้นซีนี้จบมหาัยนั้นมหาไรนี้นนเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตล้วนแต่เป็นอุปมาอุปมัยที่เราไปเรียนเนี่ย เสียเงินเสียทองหลายล้านหลายบาทเสียเวลามากมายจะได้แค่ใบประกาศมาใบเดียวผมทั้งรูปถ่ายแล้วก็ชุดที่เราเรียนตามสาขาเท่านั้นแต่มนุษย์เนี่ยได้ยินดีพอใจในการเรียนกันที่จะได้เป็นมหาบัณฑิตก็คือด็อกเตอร์นั่นเอง แต่สรุปแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกับเป็นทรัพย์ภายนอกที่เราอยู่เราต้องมีการพัฒนาเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเป็นทรัพย์ภายนอกที่เรามองเห็นแล้วก็เทิดทูนว่ามีคุณธุริวัวิญญาิแต่ตรงคนที่เรียนเนี่ยลองถามดูซิว่า เรามีความเจ็บปวดทางใจบ้างไหมเมื่อเราเรียนสูงขนาดนี้เนี่ยเราพ้นจากความทุกข์ได้ไหมทุกกายทุกใจในขณะที่เราเรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยเรามีความหลุดพ้นจากความโกรธความโรคความหลงบ้างหรือเปล่าไม่พน้นอนาจารย์ทั้งหลายก็ต้องร้องให้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 เรียกว่าซับภายนอกที่มันปรงแต่งขึ้นมาจากภายในก็คือกิเลสนั่นเองนักปฏิบัติทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าโอ้เนอะในขณะที่เราคิดปงแต่งเนี่ยที่เราเครียดเนี่ยตามเนื้อทุกส่วนสัตว์ทุกชิ้นในร่างกายเราเนี่ย มันรู้สึกตรึงรู้สึกเร่าร้อนไปตามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทั้งหลายเมื่อร้อนกายเสร็จไม่พอก็ร้อนใจใจของเราเนี่ยร้อนจนเหงื่อออกคิดดูสิว่าความเร่าร้อนของกิเลสทง้ทงใจของเราเนี่ยเวลากฏดเนี่ยมันร้อนทำให้เหงื่อในน้าในตัวนีนยังออกมาเลย เหมือนความแรงนะเหมือนการแรงที่ว่ามันไม่มีฝนตกมันมีแต่ความร้อนของพระอาทิตย์ดินก็แห้งหื่นต้นไม้ก็เหี่ยวดินก็แห้งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นร่างกายเราก็รู้สึกอึดอัดไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะว่ามันร้อนฉันใดก็ฉันนั้นที่ร้อนของธรรมชาติเนี่ย มันร้อนเท่ากับธรรมชาติของมันเองมันจะปรับของมันเองได้ต้นไม้ก็จะละทิ้งใบเพื่อให้น้อยให้อาหารเนี่ยหาหาอาหารนั้นน้อยลงเป็นการรักษาชีวิตของมันไว้แต่ถ้าร้อนใจเนี่ยเรียกว่าไฟมันเผานาลกเขาเรียกนาลกเผาใจมันเกิดความว้าวุ่นใจบางคนถึงกับเส้นโลหิตฝอยแตก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 มันขุ่คล่องขุ่เครื่องใจไม่สบายใจไม่สบายกายเมื่อคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยไอร่างกายเราสามารถที่จะอาบน้ําได้อัดสีชวีวันใช้สบู่ยาซีฟันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้กาจัดสิ่งสกปร ก, กโสโครดทางกายได้ตั้งเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย ได้ยารักษาโรคอาการเจ็บป่วยได้แต่เราไม่สามารถเอาความร้อนที่มันอยู่ในจิตได้สำนึกเราออกได้เพราะเราไม่รู้เหตุผลของมันในขณะนี้เนี่ยเรารู้เหตุผลแล้วว่าโอ้นอนในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีผลทางกายมากกว่ากายวิญญาณที่เราพิจารณา ธรมวิปัสนาธรรมวิปัสนาก็คือการพิจารณากายในกายว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเราก็มาเข้าสู่วิปัสนาธรรมฐานการเกิดขึ้นก็คือการคิดนั่นเองการปรุงแต่งเป็นการสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวนแต่สมมุติทางนั้น ชื่ก็สมมุติผู้หญิงผู้ชายก็สมมุติต้นไม้ใบหญ้าวัวควายจ้างมา้าเราก็สมมุติชื่อมันเป็นคุณ ล, ะละักษณะเป็นชื่อต่างๆนาน า, น า, นาเรียกว่าวิปัสสนาเรารู้เท่าทันในขณะที่เราไม่เคยพิจารณากายเนี่ยเอาความเล่าร้อนของใจเนี่ยเรียกว่านรกมันลึกมากมันอยู่ลึก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 เขาไม่เคยบอกเรามาก่อนเราก็ไปทําบุญสุนทานไปวัดวาอารามก็ได้เห็นว่าพ่อแม่เขาไปตักบาตรใส่ใบาตรพระไปทอดกระถินพระป่าไปงานบุญต่างๆเราก็ได้แค่พบความสุขความเอิบหอิ่มเหมือนกับคุณยายคุณตาไปรักษาศีลเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในช่วงแรกๆ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 เรามีโอกาสดีแล้วเรามีโอกาสที่แตกต่างกับคนอื่นมากแล้วเราได้มารู้สัจจากคือความจริงก็คือธรรมธรรมก็คือธรรมชาติที่มันเป็นต้นเหตุที่ทําให้เรานั้นหมลหมองใจไม่สบายใจเพราะมันเป็นทรัพย์ภายนอกเมื่อทรัพย์ภายนอกเราได้เห็นได้รู้ทันเท่ากิเลสเรามีวิปัสสนาก็หมายถึงว่ามีปัญญารอบรู้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 รู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือสติสติก็คือความรู้ตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวอยู่ในขณะนี้แล้วเหตุฉะไหนเราจรึงต้องจะต้องทุกข์อีกทุกขสุขนี่เราก็ยึดไม่ได้ที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขที่แท้จริงเนี่ยคือดับไม่มีเชือ้อ ในขณะที่เราดับเหมือนในขณะนี้เราดับความโรความโกรธความหลงเนี่ยเรารู้สึกว่าดับไฟในใจในความรู้สึกและดับไฟในกายความรู้สึกร้อนรุ่มก้มใจไม่มีแต่มันเกิดความเวทนาทุกท์ทางกายเห็นไหมเรียกว่าจิตวิญญาณกายวิญญาณไอจิตวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันเป็นเพื่อนซี้กัน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 เรารู้สึกว่าเราไม่มีความโกรธไม่มีความโรดไม่มีความหลงเราไม่รู้สึกอัดเครืองขุนเคืองใจแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าใจของเราเนี่ยวุ่นวายใจในขณะนี้อุเบกขาวางเฉยเมื่อเฉยแล้วเนี่ยระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันมีสมถะ เราเห็นกายเรานั่งตรงอยู่ในขณะนี้เนี่ยมองเห็นเมื่อมองเห็นตัวเองว่าโอ้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่สามารถที่จะเอาไปได้เลยท้ายสุดชีวิตของเรานั้นจะต้องห่อผ้าขาวเดือกระดูกที่จะต้องไปลอยอังคารก็คือทิ้งน้ำนั่นเองเมื่อเราไปทิ้งน้ำปูย่าตาทวดเราได้ตายลงไปแล้วเนี่ย เหลือรูปหนึ่งบานบางคนรูปไม่มีเลยอาจจะเหลือกระดูไว้หนึ่งโกรธนะคําว่าโกรธหนึ่งโกรธแสนกลับเห็นไหมก็ต้องกลับไปกลับมาถ้ายังโกรธอยู่ยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่เนี่ยมันก็จะต้องกลับมาสร้างวิมานอีกนะ แต่ในขณะที่เราจะดับเนี่ยดับโดยที่ม่มีสติหน้าเวทนากายเวทนาใจของตัวเองเหลือเกินหลวงพ่อได้เห็นเหมือนกับองค์สมมาสมพุทธเจ้าได้เห็นว่าวัฏตะแปลว่าเวียนไหววัฏฏะสงสารก็สงสารเหลือเกินการเวียนไหวของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายของโรคทั้งหลายที่หมุนไปหมุนมา มีทั้งตลางวันก็รู้สึกว่าแจ้งมองเห็นกัางคืนมันก็มืดมิดเหมือนใจของเราเลยว่าเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็คิดได้เดี๋ยวก็คิดไม่ได้เดี๋ยวได้มันก็ต้องเสียไปแต่อาการที่ไม่เสียไปจากเราเนี่ยก็คือจิตได้นึกสำนึกก็คือเสียใจถ้เกิดมีความเสียใจไม่สมหวังเนี่ย เราก็รู้สึกไม่สบายใจมีความเร่าร้อนใจสะสมไฟเข้าไปทุกทีเมื่อสะสมความกดความคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ออกปกเครียดก็คือความโกรธพยาบาทอาฆาตแลละแต่ที่เรามาอยู่กันในขณะนี้เนี่ยเราไม่มีตัวอิจฉาริษยาแสดงว่าเราเนี่ย เข้ามาอยู่ในมนุษย์สมบัติและรักษาศีลเมื่อเรามีมนุษย์สมบัติรักรู้ผิดถูกชัว่วดีมีการรักษาศีลด้วยสัจจักั จ, จักก็คือการรับรู้ตามจริงที่เรานับถือหรือรับคำจากพระคุณเจ้าในศีลแปดว่าเราจะไม่ฆ่าส ต, ตัดชีวิตลักขโมยโกหกอะไรอย่างนี้เราจะไม่ เป็นคนที่คดกงในลนักษณะที่เราถึงสัจจะป ร, รมีเรีกว่าศีลศิลเราก็มาสํารวมกายวาจาใจเนี้ให้ถึงพร้อมเรียกว่าสมาธิแล้วก็มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจด้วยเดื่อมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจเนี่ยสติก็มามนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้น ความขัดแยงทะเลาะบอกแหวงก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในการสร้างคุณงามความดีไม่เหมือนกับที่เราจะต้องกลับไปบ้านของเราแล้ววันนี้เราจะต้องกลับไปเจอสามีเราจะต้องกลับไปเจอคนที่เรารักกับคนที่เราเกลียดเราชังเราจะต้องกลับไปเจอคนที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเราในขณะนี้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 เมื่อจุดไฟเนี่ยไฟก็จะเผาเผอทีไรมันก็จะไหม้มันก็จะปิวไปเพรฟางเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ําหนักเอามาให้วัวให้ควายทานเนี่ยมันก็แค่ประทังชีวิตแสดงว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันแค่เอามาทางังมาประทังชีวิตเราโงาเ่เหมือนวัวเหมือนควายที่เป็นคนที่บ้าหอบฟางก็คืออาหารที่มันกินได้เยอะแยะ ก็คืออาหารใจนั่นแหละอาหารกายเราก็ ท, นทนานธัญญพืชธัญญาหารแต่เราเดไปเก็บสัตว์ที่มันเป็นนรกตกนรกอยู่ในอบัยภูมิของสัตว์เช่นกุ้งหอยปูปลาหูเป็ดไก่ตรงนี้อยู่ในสัตว์นรกเรียกว่าสัตว์นรกก็คือรูปนามแห่งสัตว์ต่างๆที่มันตกอยู่ในอบัยภูมิ ในขนาดนี้เราภูมิของเปตอสุรกายท่านทั้งหลายก็นึกไว้ในใจว่าการประพฤติการปฏิบัติคราวนี้เนี่ยพอให้สภาวะจิตของข้าพเจ้าเนี่ยหลุดทนจากเปตอสุรกายสัตว์ในหลาชานยิ้มเข้าไว้อธิษฐานในใจพอเราอธิษฐานในความเร่าร้อนเนี่ยมันออกขนลุกขนพองออกมา รู้สึกคันรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บยิบยับยิบยับแล้วมันรู้สึกว่าเบาแล้วก็เย็นลึกเข้าไปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากเปรตอสุรกายแล้วขอให้ข้าพเจ้านั้นเป็นมนุษย์สมบัติเมื่อเป็นมนุษย์สมบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ดีแล้วกายใจของข้าพเจ้าขอให้เป็นเทวดาสมบัติ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 เป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เดียวกันเป็นสัตว์ต่างๆเป็นรูปนามสูงบ้างต่ำบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างมีความน่ารักมีความน่าเกลียดน่าชังเช่นไส้เดือนปิงเนี่ยพวงนี้นอนนะพวงนี้กินอึกินของเหมน็นของเน่ากินซากพืชซากสัตว์เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกขยะขยง ความเป็นเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมันอยู่ที่มนุษย์ที่เราได้เห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในอดีต ท, ที่เราไม่รู้ในอนาคตที่มันมาไกลเกินเหตุไกลสายตาไกลหูไก ล, ไกลตาเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเราก็ได้คาดคะเนก็คือคาดเดาก็คือสมมุตินั่นเอง เป็นการปรงแต่งทั้งสิ้นเราก็เอาปัจจุบันนะปัจจุบั น, นกรรมปัจจุบันเราเนี่ยอธิษฐานเราให้พ้นจากเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้นพุลต้นทุนแห่งการเกิดของแต่ละคนนั้นก็มีรูปรับที่แตกต่างกันและแต่มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันก็คือมีรูปนามของเป็นสัตว์มนุษย์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 เกียติหน้าช่งบ้างเป็นตามความต้องการเหมือนกับในพานที่ไปล่าสั ต, สตว์ตัดมันก็กินไส้เดือนเราก็ไปขูดไส้เดือนไปเกี่ยวเบ็ดเพื่อเอาไปล่อสัตว์อีกทีป่ามันก็จะได้กินไส้เดือนเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่กินไส้เดือนรู้สึกขยะข ย, ยงปีงมันกินเลือดไม่ว่ากินเลือดของสัตว์หรือกินเลือดของมนุษย์ เราก็กินเลือดขยะแฉ่งเหมือนกันแต่เราเป็นมนุษย์สมบัติเป็นอริยบุคคลเนี่ยเป็นอริยะเจ้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในอบัยภูมิก็คือเป็นภูมิของตัจเดลชาญที่เราจะเก็บเอามากัดเอามากินเนี่ยมันก็ตกห้างอยู่ในกระแสเลือดเราอาไม่เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา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 อินกายของเราเนี่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกันแน่เป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาทาให้ชีวิตของการคิดอุด จ, จิตวิญญาณและกายวิญญาณแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสะอาดสะอ้านเราได้ตกอยู่ในอบายภูมิเสียแล้วเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานเสียแล้ว การก็ทำการคิดต่างๆเหมือนกับน้ำที่มันไม่สะอาดจะแล้วเราก็ดื่มกินอาบนั้นส ก, ร ป, ก, สกรปรกสกโอเอาไม่ติดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆชีวิตเราก็เช่นเดียวกันตกอยู่ในอบยัยภะผมก็เป็นมีอุปนิสัยสันดานในการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านทำลายทำร้ายจิตใจตัวเองเหมือนกับสัตว์ สัตว์เนี่ยมันไม่รู้จักพอ่อจากแม่จากพี่จักน้องมีกลิ่นกายก็เหมือนกับไม่ใช่มนุษย์แต่ตอนนี้เราเป็นมนุษย์สมบัติแล้วร่างกายเรารู้สึกว่ารื่นสะอาดสบายเบาสบายเหมือนในขณะนี้เราได้รวบรวมจิตใจภาระกำลังที่ผ่อนคลายคํามเล่าร้อนของสัตว์ต่างๆที่เราอธิษฐานเมื่อกี้ว่า ปฏิทั้งหลายที่อยู่ในจิตได้จานึกในกายในจิตในตัวของข้าพเจ้าที่ได้สะสมกันมาขอให้ท่านทั้งหลายจงไปจุดติจุดตังพระอาหังจุติตรงไปเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติผมสมบัติถึงซึ่งนิพพานสมบัติอย่าเวียน่ายตายเกิดมาให้เขากัดกินและอย่าได้มาเป็นมณโนกรรมวัจีกรรมกายกรรมแก่ข้าพเจ้า มันก็หลุดพ้นไปใบจะพมจักตัวเราเมื่อแผ่นดินมันแยกแตกแล้วเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่แข็งกระด้างเหมือนกับดินที่แข็งกระด้างแห้งแรงมานานไม่ได้ถูกน้าไม่ได้ถูกขยายเหมือนกับร่างกายของเรานั้นตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่แทรกที่แน่นเนี่ยมันคือสัตว์ต่างๆบัดนี้เราได้ประพฤต ได้ปฏิบัติได้รู้เหตุรู้ผลได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็ขยายผิวพันธุ์เนี่ยที่หยาบก้านก็ละเอียดขึ้นเพราะเราได้ใช้ไฟในความเร่าร้อนของสภาพของจิตเรืยอที่ตกอยู่ในอาบายอาายภูมิก็หมดไปสัตว์ดเดรัจานก็ได้ขยับขยายเหมือนกับดินนั้นก็ต้องอาศัยออกซิเจน ร่างกายเรานั้นที่เขากินอะไรที่มันเป็นออล่าให้มันแสงสว่างกินพืชสีนั้นสีนี้ที่เราขาดอยู่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้มันเกิดและหายเกิดขึ้นถามวอนเมื่อร่างกายทุกชิ้นเราในมีกล้ามเนื้อผ่อนคลายออกซิเจนนมันเข้าไปในกล้ามเนื้อเรารู้สึกเบาสบาย ร่างเราร่างกายเรารู้สึกปลอดโปร่งกล้ามเนื้อหัวใจเราที่เคยตึงเครียดคิดโน่นคิด น, น, ดนี่กระตุกเต้นไม่เคยเป็นจังหวะเดียวกันบัดนี้เราได้เต้นรู้สึกแผ่วเบาไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วความผ่อนคลายปุ๊บเราก็อธิษฐานติ่งสกรปรกโสโครกทางกายท้งใจเราเนี่ยก็หมดไปความเร่าร้อนความร่มเย็นออกซิเจน ก็มันทําให้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเหมือนคนคนนี้เนี่ยที่นั่งขณะนี้เนี่ยมันมีความสุขมันมีความสบายในใจของท่านทั้งหลายเมื่อเราหลุดพ้นจากอบัยวุมิ่งเราก็เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อเราเป็นมนุษย์สมบัติเราก็เป็นเทวดาสมบัติเทวดานี่ก็มีเครื่องทรงองค์ใดนะเรามาอยู่มาพึ่งปฏิบัติหน้าตาเราผ่องใส เรไม่ต้องลำบากการกรรมนึกสิ่งใดเราก็เคยนึกแต่เรื่องของกิเลสแต่บัดนี้เนี่ยเราได้มานึกถึงเรื่องของตัจฐ์คือความจริงธรก็คือธรรมชาติเราเกิดจากธรรมชาติเราเกิดจากการกระทำที่มันเป็นทุกข์มันเป็นกิเลสที่เราไม่รู้มาก่อนเลยไม่มีวิชาไหนที่วิเศษเท่ากับวิชาขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้ว บันนี้เราได้เป็นมนุษย์สมบัติเป็นเทวดาสมบัติประแต่งเครื่องทรงองค์อย่างไรก็ตามวาละของเทวดาของท่าน<ม>ก็คือการประพฤติปฏิบัติมาเนิ่นนานต่อเนื่องกันมาหลายพบหลายชาติแต่ในพบปัจจุบันนั้น<ม>เราได้พบกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามีความเป็นกาลยานิมิตรเป็นมิตรเป็นสหาย เพื่อนเป็นฝูงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มารักษาศีลเอาฟังธรรมขององค์สมมาสัพพุทธเจ้านับ่าเป็นเรียนวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่บริสุทธิ์ที่คุณเป็นคุณเป็นบุญกุศลอย่างหาไม่ได้ที่อื่นอีกแล้วก็ต้องเป็นที่ตัวเรานั่นแหละเมื่อเราเป็นเทวดาสมบัติเราก็เป็นพมสมบัติ ผมก็เป็นที่พึ่งผมก็หมายถึงว่าในขณะนี้เนี่ย ร, รมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพมให้เราแล้วผมก็มีผมวิหารสี่ก็คือมีเมตตาเมตตาก็คือความรักเราได้พบความรักอันบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน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 มันก็อิดฉาน้อยลงเกียดน้อยลงสนะงสารน้อยลงร ด, ดน้อยลงอะไรลักษณะ น, นั้นแต่ถ้าเราเป็นพรมเต็มเรียกว่าบำเพ็ญเพียรบารมีทั้งจกักทั้งใจเต็มแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นพรมมีความรักเรารู้สึกรักกันเรารู้สึกเห็นใจซึ่งกันและกัน เรารู้สึกไม่มีความขัดแย้งทะเลาะเบาแวงไม่อิจฉาลิษยากันเมตตาการุณามุทิตาไม่อิจฉากันอุเบกขาคือวางเฉยว่าเราเป็นพรมแล้วเราก็กินอิ่มนอนหลับเฉยไม่นินทากาเลไม่อิจฉาลิษยามีความสงสารมีความรักมีอบอ้อมอารีปานีต่อกันเนี่ย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 เ่อเราไม่ปรับปรุงตัวเองไม่ปฏิบัติพึงเปลี่ยนแปลงตัวเองคนในบ้านของเรานั้นจะรู้หรือว่าเรานั้นเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไอ้ที่เขาด่าว่ากันว่าไปวัดมาไม่เห็นได้อะไรแต่ยังโกรธเกลียดถูกพยาบาทอิจฉาริษยา น, นินทากาเลยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเห็นเขาที่เขาพูดกันมึงจะไปบวชมาทําไม มึงจะไปวัดทำไมมึงไอ้คนกิเลสนะไอ้คนกิเลสนะชีวิตมึงไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เพราะมึงไปนั้นไปก็ไปทะเลาะกับพระบ้างไปอิจชาริษยาไปผูกกฎพยาบาทอาฆาตในวัดในอารามต่างๆแต่นักปฏิบัติทั้งหลายในขณะนี้เนี่ยเป็นวาระสุดท้ายโอกาสสุดท้ายหลาตีสุดท้าย ขอให้คุณโยมทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจยิ้มเพราะเรารู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วเมื่อเป็นพรมสมบัติก็เป็นอริยบุคคลแล้วเมื่อเราเป็นอริยบุคคลก็มีความฉลาดในส่วนตัวของเราแล้วเมื่อเราพึงประพฤติปฏิปบัติสมถะวิปัจนากรรมฐานวิปัจจากรรมฐานเราก็รู้เหตุรู้ปัจจัยที่หลวงพ่อบอกกายวิญญาณกับจิตวิญญาณ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 ไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีความขยันหมั่นเพียรเราต้องตั้งสติแต่เรากลัวจะพังจะเผลอเพราะเราเป็นคนที่มีสมาธิสัน้นต่อไปเราก็มาเอาเทปที่เขาอัดไว้เอาร บ, บเปิดกอกหูแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติทุกวันไปเรียกว่าปานา น, านุสติ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 ท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นอริยบุคคลเพื่อเป็นอริยก็มีความฉล า, าดรู้จักรักษากายวาจาใจให้ถึงพร้อมท่านก็จะเข้าสู่สภาวะของอริสง์เป็นอริยะสงเนี่ยสงผู้ที่สงเค้ออนั่นเองเป็นสง์ที่มีความเมตตากรุณาปานีไม่เบียดเบียนทั้งคนและสัตว์ไม่เบียดเบียนเห็นผู้อื่นนั้น เป็นหมู่คณะเป็นญาติเรียกว่าญาติยาติการนะ์เป็นบุคคลที่รู้จักให้นะไม่รู้จักขออภัยทานเป็นคนที่ให้ทานทั้งสิ่งของและก็จิตใจเมื่อเข้าสู่อริยสงฆ์ก็เป็นอริยเจ้าพระปัจเจจนถึงพระอรหันตาเจ้าก็คือดับไม่มีเชือ้อดับก็หมายถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่มีความโกรธพยาบาทไม่มีความอาฆาตอยู่แล้วปรับตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นคนปกติไม่ได้อวดรู้อวดฉลาดไม่ได้ทำอะไรให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แต่พระที่ขี้โมกขี้คุยว่าเป็นคนที่สำเร็จแล้วพึงปฏิบัติดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ก, กหกตัวเองอยู่แล้วการที่โกห6คนอื่นก็ไม่เท่ากับโกห6ตัวเองหลอกคนอื่นก็ยังไม่เท่ากับหลอกตัวเองการทาความดีสะสมความดีความเร่าร้อนของกิเลสทั้งหลายก็คือจิตใต้สำนึกคือเรานึกความเลวความชั่วคิดไม่ได้นึกไม่ออกก็จะทวีคูณทำให้เกิดโรคเกิดไป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 จากได้แก้วแหวนเงินทองตาก็บอดลงบอดลงก็คือสายตาสั้นเป็นต่อบางเ ป, นนเป็นน้นเป็นนี่หูที่ได้ยินสิ่งที่ดีๆมันร่ามรื่นใจมันเย็นใจหูเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจเหมือนเราฟังเพลงที่นักร้องเนี่ยมันร้องเพาะเมื่อหาสาระที่มันดีเรารู้สึกกินใจเห็นไหมแต่เราหูเราเนี่ยได้ยินแต่เสียงด่านินทากาเล สมองเราก็ฟอหัวใจเราก็รู้สึกตึงจนกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อตายหลอดเลือดในหัวใจเนี่ยแอบบัาง เ, เลือดมาเลี้ยงในหัวใจไม่ได้ที่ผ่าตัดกันเป็นแถวหมดก็เพราะว่าระบบหัวใจเนี่ยมันทำงานไม่ปกตินั้นในข้อฉั น, นั้นชีวิตเราต้อยท่านทั้งหลายนั้น ตรงตั้งจิตตั้งใจเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติก็จะได้เป็นอานิสงค์ของลุงพ่อที่ได้พึงพัเนเพนเพียนมารู้เห็นโดยที่ไม่ได้เล่าได้เรียนมาไม่ได้เคยไปที่ถึงไหนมาก่อนอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็แอบทำเอาคนบางคนก็ไม่รู้ว่าลุงพ่อทําอะไรทําไมต้องใช้พระมากขนาดนี้ทาไมจะต้องให้สวดมนต์ทำไมจะต้องให้ทําวัดอยู่ตลอดเวลา ทำไมถึงได้ใอ้พระเนนเทนชีได้ทำงานทำการก็เป็นการบำเพ็ญเพียรความพยายามความอดทนอดขั้นอย่างหนึ่งถ้าจะมานั่งอย่างนี้บางองค์บางรูปก็ทำไม่ได้เพราะตกลงอยตกอยู่ในอบายภูมิคือคิดไม่ได้เขาก็อยากทำความดีก็มีมาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เดให้มันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับคุณโยมเช่นเดียวกันขอโอกาสดีๆอย่างนี้ให้มนตรายาโยามนั้นไปฝึกไปปฏิบัติต่อกันที่บ้านถ้ามีโอกาสก็เอาเทปไปฟังนิ่หมดครับ